มำบรรยายเรื่องมันไม่ง่าย is not easy โดยท่านวาวชิราเมธีและพระคาเลนแลนส์ศูนย์วิปัจศาสากลไรเชิญตะวันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบรรยายนะวัดอัมพวันอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช 2,559 ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณบัดนี้ เจิพรสาธุชนทุกท่านทุกคนคราวที่แล้วได้มาเทศสนองสัทธาสาธุชนไปครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เล่าความหลังให้ฟังว่าเมื่อครั้งยังเป็นสา ม, มเณรน้อยได้เคยมาเล่าเรียนธรรมะที่นี่ในฐานะครูสอนพระประเสติ ธ, ธรรมพรนกบาลี ที่ได้รับอารัตนามาอบอรมเทคนิคการเรียนการสอนร่วมกับครูสอนพระประเสริฐธรรมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศและนั่นเป็นเห็นให้ธรมภ า, ภาพได้มาเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหมบูราจารย์หรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจอรันทิตาธรรมโมปูชนยอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพยิ่งของพี่น้องเราชาวไทย สเดือนที่อยู่ที่นี่เปลี่ยนชีวิตอัตรย์มาพไปชนิดจากหลังมือเป็นหน้ามือหรือจากหน้ามือเป็นหลังมือคือมันพลิกไปเลยเพราะว่าแผนเดิมนั้นตั้งใจว่าบวชเรียนแล้วไปเรียนมหาจุฬาสำเร็จการศึกษาก็อาจจะาศิกาไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยตามความฝันแต่พอได้มาเรียนกรรมฐานที่นี่ชีวิตมันเปลี่ยน ได้คนพบความจริงของชีวิตได้คนพบเนื้อหาสาระแห่งพระธรรมคำสอนจนเกิดความรู้สึกสดชื่นดื่นเย็นในหัวใจและอย่างที่บอกว่าพอได้สัมผัสสภาวะธรรมขั้นลึกที่เรียกว่าปรมัต ธ, ธรรมในค่ำคืนนั้นก็อยากกลับไปเชิญเอายมพ่อยมแม่ครูบาประชาจาร์ที่จงรายให้มาปฏิบัติด้วย รายละเอียดได้เล่าไปหมดแล้วเมื่อคราวบรรยายทำครั้งที่แล้วกว่าสองชั่วโมงคราวนี้ได้รับนิมนต์อีกก็ยังรับนิมนต์อีกนะ <c oughs> <c oughs> ปกติแต่มาจะไปครั้งเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> ต่อที่ <c oughs> เพราะอะไรเพราะคนนิมนต์เยอะคนนิมนต์เยอะ วันวันหนึ่งเน่ยเป็นร้อยรอยงานถ้าตามใจโยมมันจะมาแทบไม่ได้อยู่วัดนะมันไปทั่วโล ก, กเลยตั้งเป้าไว้ว่าถ้าไปที่ไหนก็จะไปให้ครั้งหนึ่งหลังๆโยมที่นี่มันไม่ค่อยได้ก็มักจะวงเล็บว่าครั้งที่ห้าแล้วนะ <c oughs> เป็นการเตือนว่าไม่ไปให้โยมเสียทีแต่ที่นี่นี่มาครั้งที่สองแล้วคราวที่แล้วมาเมษาหรือสภามีตัวนา ก็ว่างเว้นไปแค่สองเดือนมาอีกแล้วทำไมมาก็เพราะว่าเราสำนึกเสมอว่าเป็นลูกศิษย์สำนึกเสมอว่าเราได้มาพึ่งพาอาศัยเดชาบรารมีของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อได้มารับแรงบันดาลใจที่ใหญ่ยิ่งในชีวิตก็ทีน่นี่มาก็เพราะว่าตระหนักดีถึงคำกล่าวที่ว่าน้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้าคนทุกคนล้วนมีที่มาฉะนั้นเมื่อเป็นงาน เพื่อการรำลึกถึงครูบาอาจารย์อาตมาจึงไม่ปฏิเสธเพราะถือว่านี่คือการได้รับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้ท่านจะไม่อยู่แล้วในแง่ของรูปร่างสังขารแต่ท่านยังคงยังชีพยืนชนอยู่ในแง่ของพระธรรมคาสอนมองในแง่ธรรมะหลวงพ่อไม่ได้ไปไหนระหว่างนั่งรถมากว่าสามชั่วโมง ก็ได้เปิดอินเทอร์เน็ตย้อนกลับไปทําการบ้านว่าสมัยก่อนสมัยเก่าเมื่อเรายังเป็นเนน้อยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เทศได้สอนอะไรเอาไว้บ้างและพร้อมกันนั้นก็ได้แนะนําให้พระลูกศิษย์ซึ่งวันนี้นิมนต์มาด้วยให้ได้รู้จักว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นใคร เพราะพระลกูกศิษย์ของธรรมภาพนั้นท่านไม่รู้จักหลวงพ่อเลยนี่มนท่านมาด้วยท่านก็ยัง ง, งงงว่าวันนี้เราจะไปไหนอัตมาบอกท่านว่าเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> เมื่อกี้ผมพาอยู่ข้างในท่านก็ยังถามอัตมาว่าหลวงพ่อเป็นใครอัตมาก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> ทำไมท่านไม่รู้จักก็เพราะว่าท่านเป็นพระฝรัง ชาวสวิตเซอร์แลนด์บวกกับไทยนะยมพ่อท่านเป็นสวิตเซอร์แลนด์แม่เป็นคนจังายท่านมาบวชก็เพราะว่าชีวิตมันไราสาระรวยจนเซ็งไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> ก็เลยมาบวช <c oughs> บวชเก้าวันพอครบเก้าวันจะไปศึกพ่อบอกว่าอีกนิดหนึ่ง ทำไมเพราะว่ามันแพงน่ะพ่อบอกว่าเสียเงินบวชลูกนี่ไม่ใช่น้อยน้อยนะก้าวันจะศึกแล้วหรือพ่อพูดอย่างนี้ท่านก็เลยอยู่ต่อและเด็ดกว่านั้นในวันที่จะศึกนั้นท่านได้ส่งไลน์ไปหาแฟนบอกว่าให้บินมารับหน่อยแฟนบอกว่าขอไม่ไปได้ไหมท่านก็ถามมาไว้ทําทไมแฟนก็ส่งรูปมาบอกว่า ก็เพราะว่าเรามีคนใหม่แล้วท่านก็เลยช้ำใจมาได้มีซ่าต่อมาเข้าปีที่สองแล้วเห็นไหมอันนี้ท่านเรียกว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมหรือความทุกข์มาโปรดความสุขจึงมาโปรยเหมือนที่คนไทยบอกว่าไม่เห็นโลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาใช่ไหมจากพระหนุ่มน้อย ซึ่งไม่คิดว่าชีวิตจะได้มาพบพระพุทธศาสนาก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระาศาสนาจากคนซึ่งไม่มีาศาสนาด้วยซ้าก็กลายมาเป็นคนที่อยู่ในพระาศาสนาและทำหน้าที่เผยแผ่าศาสนาธรรมด้วยโชคดีของท่านตอนที่ท่านบวชปีที่แล้วเป็นช่วงเดียวกันกับที่คุณวุดี่เกิดมาคุยมาบวชพอดีก็เลยได้จับฝึกพร้อมกัน แต่ท่านก็ฝึกเข้มท่านฉันมือเดียวรองเท้าท่านก็ไม่สวมปีแรกคือปีที่แล้วนั่นห่มจีวรสีเนี่ยสีหมากสุกอย่างเนี้ยห่มเข้มเลยเพราะท่านมีความฝันอยากเป็นครูบาสีวิชัย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะให้ท่านเล่าหนึ่งปีท่านนอนใต้ต้นโพอามาจึงตั้งชื่อท่าน เ, นเล่นๆว่าท่านพระครูโพธิบาน ว่าผู้รักษาต้นโพอัตอมาถามว่าทำไมถึงชอบจำวัดแต่ต้นโพท่านก็บอกว่าท่านอ่านพุทธประวัติแล้วเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไปตัสรู้ใต้ต้นโพท่านนอนใต้ต้นโพเดี๋ยวคงตรัสรู้สักวันอันนี้เป็นชีวิตท่านอย่างย่นย่อที่สุดนะวันนี้ท่านจะมาร่วมเทศน์ด้วยและ ท่านจะเทศในระบบสองภาษาคือภาษาอังกฤษปนภาษาล้านนาภาษาไทยไม่ได้นะท่านบวชอยู่วัดเดิมหนึ่งเดือนไม่ได้เรียนอะไรสักอย่างตร่ำจะลาสิกขาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าหลวงตาก็เห็นว่าท่านพูดภาษาไทยไม่ได้เลย ก็กลัวจะได้พูดภาษาอังกฤษฉันเช้าเสร็จแล้วปิดห้องทั้งวันเน้นน้อยเจ็ดแปดรูปก็กลัวจะได้พูดภาษาอังกฤษฉันเช้าเสร็จตั้งแต่เจ็ดมงไปโรงเรียนกลับให้ค่ําที่สุดเอาจนภาคฝรั่งเข้านอนนอนทั้งหลวงตาทั้งเน้นน้อยเครียดทั้งวัดเลยในที่สุดยมแม่ เห็นมห่อยู่ไปอย่างนี้ลูกฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรแนะ่ก็จึงไปสอบถามคนนั้นคนนี้่าพระฝรั่งอย่างนี้ควรจะไปอยู่วัดไหนก็มีคนบอกว่าให้มาอยู่ไร่เชิญตะวันแม่ก็เลยพามาฝากอาตมาท่านก็ไม่อยากมากโกรธด้วยซ้ำนะเพราะท่านก็ไม่รู้จักว่าอาตมาเป็นใครและนี่แหละคือชีวิตของลูกคุณหัวคนหนึ่งจับพรัดจับปลูกได้มาอยู่เมืองไทยแล้วได้เข้ามาบวช เดี๋ยวจะให้ท่านทักทายญาติโยมและแสดงธรรมให้ฟังวันนี้เราจะว่ากันด้วยสามเรื่องนะทานศีลภาวนาซึ่งเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานของการเป็นชาวพุทธที่ดีก่อนที่จะเทศอยากให้ท่านเล่านิดหนึ่งว่าคร้งแรกที่เจอกันเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงที่โยมแม่พามาฝากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างตะลุญนกนนะ h e l โ o ลไอวิบาพอดีเวนไอคิมนู w to พระอาจารย์วอตอนที่มามาหาพระอาจารย์วอใหม่ๆนะก็แม่ก็อยากไปขอพระอาจารย์วออืมาบวชดีไล่ฝรั่งอู่กำเมืองคนแรกของโลกยังอาจจะฟังเพียนๆนิดนึงนะ โยมไม่ต้องตกใจนะตอนแกสิ่งบิ๊กบอยไปชนกับรถปิกอัพมีคนที่มาดึงแกออกจากรถแทนที่จะถามแกว่าเจ็บไหมพอได้ยินเสียงแกเขากับถามว่า น, น้องเป็นคนไทยหรือเป็นพมา่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเสียงแกจะเพีย้ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> ยนๆนิดนึงโยมก็ทนฟังเอานะเดินเล่นดีไล่อยู่ดีๆมันจะมีโยมสองคนอ่ะเป็นคนเท่า ทูโอทีโ่โบอยู่ดีๆมาจีน่าเหรเขาคิดในใจโอ้ยไล่เชียตะวันนี่น่าจะบอกเกยหันพระสักตีเลยอะจีน่าใส่พระเลยอโอ้โหซาเลี่จะรอดจะเละอันนี้มันคำเก่าสมัยพวกคุณเม็ไนไรอามาไม่ได้ยินมา20ปีแล้ว ภาษาอังกฤษคือ s a t u เลย y ทานใดนั้นเองภาษาละนาว่าอะไรจะลอจะและคนก็บอกว่าท่านขึ้นมานี่นะพระ อ, อาจารย์วรําลังถ่ายรายการ and I was watching I was looking around อยูดีๆก็หันพระอาจารย์วรวนั่งรถกอล์ฟติดๆเอาก็รอแก And when I was waiting for him, I waited for him for 30 minutes. 30 minutes. And yeah. I thought, "Why? This w a <laughs> e e l i n g for 30 minutes? <laughs> If i a still a lummox, I don't know who I'm a waiting for. you. So my mother said, "Karen, please don't go." เขาเลยจะไปไปเตี้หรอมันบัจริงง่ายๆมามานั่งอยู่นี่นะเขากคิดในใจมันก็ง่ายเห็นก็แม่ผมก็นั่งอยู่เก้าอี้นี่รอเป็นส0สิบนาทีกายก็กล้ใกายคือเบื่อต้องไม่ลืมมาท่านเป็นคนที่ยังไม่มีศรัทธาในพระศาสนายังไม่รู้ว่าที่มาวันนี้จะมาเจอใครแม่เนี่มีศรัทธามาก รู้ว่ามารอใครส่วนลูกนั้นเซ็งเพราะไม่เคยต้องไปรอใครเนื่องจากเป็นลูกคุณโหนอยากได้อะไรก็ปุ๊บปั๊บต้องได้เลยแล้วจู่ๆมาวันนี้ต้องให้รอรอไปก็เดือดปุดปุดปุดปุดปุดปุดแล้วก็บอกแม่ว่าจะไปแล้วจะไปแล้วแม่ก็มางอลูกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปแล้วตกลงได้ t พ i r s and หลังจากรอไป30นาทีสิ่งแรกที่แกทำเข้าห้องน้ำไม่ใช่มันยังมาปลาร้ามาเรียเต้อันดวบายบายมันอะไรกันนักกระหนาวมันอยากเย็นอะไรขนาดนี้มากเนี่ยแกพูดในใจคือแตา่มาไปบันทึกรายการโทรทัศน์อยู่มีสื่อมาสัมภาษณ์ไงแกก็ไปนั่งรอ พอเสร็จปุ๊บอาตมาเดินขึ้นมาเห็นคนนั่งรออาตมาก็ยังไม่ทักหรอกอาตมาขอเข้าห้องน้ําก่อนแกยิ่งโกรธหนักขึ้นอีกเอ็นแดนตอนนั้นแกก็เปิดประตูปั๊มเลยอะ่ะเปิดน้ำขนาดนักโซล่าส์เรากดสะดุ้งเลย <c oughs> ล้อก็ล้อเข้าห้องน้ํามาเปิดประตูปั๊มใส่เขาอีก <c oughs> กวันนี้รู้อยู่เพราะประตูมันเสีย <c oughs> So he was sitting in front of me. Karen, you cannae, Boba. Who are you? So I answered him. My name is Karen. Karen, he said. j e n I'm a n o r e i g n e r Jee, my name is Karen. Karen, h e name is w e r e n He t a i d t o me t he g l i h สนทนาการปียนกษอยู่ดีๆเราก็คิดในใจว่าน่าจะบอดดเดทเด้อเด๊พ่ออาจารย์บอกกูกับเมืองไซส์ and then he started also to talk German เริ่มอู้เยอรมันด้วยเพราะเขาเป็นลูกครึ่งสวิทเขาอยูฟัง์มเยอรมันเขาอู้เยอรมันแกก็เลยบอกขึ้นเขากูเทนมอร์แกเราคิดในใจปั๊บท๊ะ ยังรู้จักไม่ปัดโทษปัดโทษก็คือ Oh my god นะ Wonderful คือต่อมาก็มีคนมาบอกว่าเป็นลูกท่านเป็นลูกครึ่ง Switzerland คือคือฝั่งโน้นก็จะพูดอังกฤษเยอรมันใช่ไหมแต่มาก็เลยคือยังเห็นเห็นหน้าท่านยังเซ็งเป็ดอยู่คุยกันอยู่คุยด้วยภาษาอังกฤษนกนยังเซ็งอยู่ก็เลย ทักท่านเป็นภาษาเยอรมันอาังจากนั้นท่านก็เปลี่ยนไปท่านรู้สึกว่าโอ้เริ่มไม่ธรรมดาละเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ที่วัดเดิมท่านไม่ได้ทอะไรท่านไม่มีเพื่อนคุยท่านก็เลยถามอตมาว่าพูดได้ไหมเพราะท่านอยากอยู่ที่นี่ด่านแรกคือต้องมีคนคุยภาษาอังกฤษกับท่านก่อนไงอตมาก็เลยคุยกับท่านท่านก็เลยสบายใจ แล้วตั้งแต่นั้นมาท่านก็ท่านอยากมาเลยแต่มาก็บอกว่าอยู่มาได้ตั้งแต่วันนี้เลยอยากมาอยู่กับแตมาเพราะาท่านคิดว่าท่านสบายแล้วมีพระพูดภาษาสังกฤษได้แล้วนะแต่มาก็บอกท่านให้มาทำไมท่านอยากมาภายในวันนี้ยอมรู้บ้าพรู้ท่านอยู่วัดเดิมท่านไม่ได้ทําอะไรฉันเช้าเสร็จว่างฉันเพลเสร็จว่างรออีกทีคือทําวัดเย็นทําวัดเย็นเสร็จว่างจนท่านเข้าใจผิดว่า อ๋อเป็นพระเขาเป็นกันอย่างนี้หรือไม่ได้ทําอะไรเลยท่านกวาดใบไม้ให้ทุกวันจนตาลอยอะจนใบไม้มันไม่หล่นแล้วตอนห้าโมงเย็นท่านก็เลยไปขย่าต้นไม้ให้ใบมันหล่นจะได้มีอะไรทําบ้างสุดท้ายท่านมาอยู่กับอาตมาอาตมาก็จับท่านฝึกเข้มเลยท่านกว็อธิษฐานชันมือเดียวองเท้าก็ไม่สวมเพราะว่าอยากฝึกเข้ม ชีวิตท่านสบายมามากแล้วท่านอยากฝึกทันทีอาตมาก็เลยนิมนต์ท่านฝึกมีอะไรให้ทำก็ทำหมดแล้วในอาทิตย์แรกนั้นอาตมาก็ให้ท่านเทศแล้ววุฒิมาบวช ด, ด้วยก็ไปลเลยพาท่านไปเทศท่านก็หันมาถามอาตมาว่าเป็นพระทำไมต้องเทศอาจารย์ตอบอยังไงตอนนั้นอาตมาพอดีเขาฉันมือเดียว กับเวลาฉันนี่จะฉันนักนักฉันเป็นกะลังเลย and then ยูดีดีฉันเสร็จเราชอบแอบรักถ้าอาจารย์พอเลยบอกว่า k h a l do you know ควายนี่มันย่อยัง The Buffalo he finish eating Buffalo ควายนี่มันกินข้าวเสร็ มันก็ไปกินยากินยาเซ็ตวายกินยาเซ็ตวายกัไทยนะเป็ดกินข้าวเซ็ตมันก็วางไข่เอนเดอรด็อกกินข้าวเซ็ตก็เหาเห่าเหาเหาครับกินข้าวเซ็ต ก็ต้องเทศทุกวันนี้ก็ต้องเทศมันขานี่แหละคือเหตุผลคือเราเกิดมาเราต้องทำหน้าที่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่เราก็ไม่มีความสง่างามที่จะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมและแต่มาก็ได้ย้ำท่านไปว่าอยู่ต้องเทศเพราะถ้าอยู่ไม่เทศอยู่สู้เป็ดตัวหนึ่งก็ไม่ได้เป็ดก็เทศมะขามก็เทศมะเขือก็เทศ โลกกระจอกประเทศแล้าพาจะไม่เทศได้ไงก็เลยบอกท่านว่าเราต้องเทศแล้วอาตมาก็ไม oh ่รอให้ท่านพร้อมหรอกวันหนึ่งมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมานิมนต์ไปเทศอาดมาก็หิ้วพระใหม่สองรูปไปด้วยเลยฮิ้วท่านวุฒิไปด้วยฮิ้วท่านคารนไปด้วย มีคนฟังอยู่ประมาณ4ี่พันคนและท่านก็ต้องเทศครั้งแรกพอดีคนนี้มุนไปเทศอาตมาก็ได้ทีแล้วนะพระใหม่สองรูปนี้จะมาอยู่เฉยๆกับเราไม่ได้เลยพาไปเทศด้วย <c oughs> จันการิก็หันมามองหน้าอาตมาต้องไม่ลืมว่าปีที่แล้วท่านอายุแค่ยี่สิบนะไม่มีประสบการณ์อะไรทั้งสิน้นแต่อาตมาบอกว่าท่านฉันข้าวของโยมไปแล้ว ท่านปฏิเสธไม่ได้หรอกท่านต้องเทศการินก็หันมาถามว่าจะเทศเรื่องอะไรอาตมาก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้เพราะอะไรเพราะว่าพระสายปฏิบัตินั้นการเทศการสอนเราไม่นิยมเขียนบทเราต้องเทศตรงๆซึ่งซึ่งหน้าให้ทําไหลาจากใจสูจ่ใจอาตมาก็ฝึกท่านมาอย่างนั้นพอไปถึง อาจมาเกริดนนิดเดียวแล้วก็ให้ท่านเทศเลยเล่าบรรยากาศการเทศครั้งแรกหน่อยตื่นเต้นไหมพอดีตอนที่เทศครั้งแรก the first time มันก็จะมีนักเรียนเป็นปา้าทบ <c oughs> วิธีก็สูงสูงไฟก็ส่องใสหน้าอีก <c oughs> I was thinking ฉันจะต้องโดนขนาดนี้ทำไมนี่ <c oughs> จักกรแรกก็เปียกหมด ไม่ขนาดนั ก, กหน้ากบมันมดเลยตีมก็เปียกมือกบเปียกไม้กบเปียกทุกที่ที่จะเปียกได้มันเปียกหมดเลย <c oughs> ลิ้นก็แห้งหมดเลยไม่ปาแห้งหมดเลยกินน้ำก็ไม่ไม่เปียกสักทีเลยมันแห้งขนาดนั้นไม่กล้าเลยอยู่ดีๆผ้าจันต้องมองหน้าเราแกก็ถามคำหนึ่งเราก็พูดไปไปม่ม่วงั่ อยู่ดีๆนักเกียนมันก็เมื่อเล่ า, าเฮฮากันเราก็โมมเหมือนกัน <c oughs> ยมเคยไหมออกมาพูดทีมีคนฟังสี่พันคนเดีย๋ยวว่าแต่พระใหม่อายุยี่สิบเลยนี่นั่งอยู่ที่นี้อายุรวมกันเป็นหมืน่นอายุหกสิบเจ็ดสิบผ่านชีวิตมาขนาดนั้นแล้วจู่ๆออกมาพูดโดยไม่ประมาณเนี่ย ทำได้ไหมยมลองคิดดูนะท่านบอกว่าอะไรที่เปียกได้มันเปียกหมดท่านจะขออนุญาตเข้าห้องน้ำอาตมายิกขาท่านไว้บอกว่าไม่ต้องทำไมอาตมากลัวว่าท่านไปแล้วไม่กลับจ ะ, จะเลยปีนออกไปก็เลยให้ท่านเทศเลยแต่ท่านก็ผ่านมาได้ ตอนนี้สบายใจหรื อ, อยังมีประสบการณ์แล้วเนี่ yes. Okay, ย yes okay ไหม i'm happy เห็นไหม happy แล้วน่ะอันนี้คือพื้นเพภูมิหลังของท่านนะเอาละตอนนี้ยอมรู้จักท่านละวันนี้จะ น, นิมนต์ท่านเทศร่วมกับอาตมาสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งทานเรื่องที่สองศีลเรื่องที่สามภาวนาให้สอดคล้องกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราสอนอยู่เสมอ ชาวพุทธทดีต้องเมตทานสินภาวนะอธรมภาพจะขอให้ท่านเล่าประสบการณ์ตอนที่อธรมมาส่งท่านไปฝึกที่วัดบ้านเกิดของอธตมภาพท่านมาอยู่กับอธตมภาพเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองอธตมาส่งไปจำพรรษาที่วัดบ้านเกิดเลยเพราะอยู่ที่ไร่เชิญตะวันมันง่ายเกินไปมันมีครูบาอาจารย์ไปบินท่าบาทคนก็ตักบาทเยอะแยะมากมายอธตมาคิดว่ามันไม่ท้าทายสําหรับพระใหม่และพระฝรั่ง เพราะอยู่กับอตาตมานี้เวลาไปบินทบาทสันนิษฐานได้ว่าเต็มบาด ท, ทุกครั้งพอให้ท่านไปเองปรากฏว่าท่านไม่เต็มบาด <c oughs> ตั้งแต่วันแรกเลยเราภูมิหลังนิดหนึ่งวันแรกอตาตมาพาท่านไปบินทบาทในชุมชนพาท่านไปบินทบาตแล้วท่านฉันมือเดียวไงท่านหิวมาตั้งแต่เมื่อวาน <c oughs> ต้องไม่ลืมว่าท่านฉันตอนสิบโมงแลนวท่นก็รอจนข้าเมื่อคืนมาอีกวันหนึ่ง เพราะฉะนั้นโยมลองคิดดูว่าตอนนั้นหิวจัดสุดๆอาดามาก็พานัานไปเดินบินท์บาทบ้านหลังแรกใส่แอปเปิ้ลกิ้งลุนุ น, นอยู่ในบาทอาดามาก็สอนพระหมบ่บอกให้มองต่ำมองพื้นยอมสบตาโยมสำรวมเราก็เดินสำรวมท่านก็อุ้มบาทตามไปพอโยมตัดบาทแอปเปิ้ลคนละโลกปุ๊บ อาตอมาก็ได้ยินเสียงท่านพูดเบาๆขึ้นมาว่าปาดุองมายกอดมาแล้วยม <laughs> อาตอมาก็ไม่ได้คิดอะไรอาตอมาก็เดินสำรวมต่อไปคิดว่าพระใหม่ก็ต้องเดินตามเราสักพักหนังหันไปดูเอา้าไม่เจอหายไปตอนไหนไม่รู้อาตอมาเดินกลับไปเห็นท่านนั่งอยู่บนขั้นบันไดของญาติโยมหลังหนึ่ง ท่านแอรไปนั่งอยู่บนขั้นบันไดหน้าบ้านของญาติโยมคนหนึ่งในมือมีแอ ป, ป <c oughs> เปิ้ลเคียวกินไปครึ่งลูกท <c oughs> ่านแม่บอกว่าเขาไม่กินกันอย่างนี้ไม่กินอย่างนี้แล้วกินยังไงก็บอกว่าเวลาเรามาบินทัพบาทได้อะไรแล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วไปฉันที่วัดโยมลองคิดดูเลย ไม่รู้เรื่องถ้าไม่ดันละเพราะว่ามันเหลือนิดเดียวท่านบอกว่า i very <laughs> อมไว้ท u n g r งกฤหิวจับหิวจับกับอีกครั้งหนึ่งไปเบินท์บัดพร้อมฟุตดี้เกิดมาคุยไปเบินท์ บ, บัตในตลาดสดและท่านเนี่ยชอบฉันทุเรียนมากอาดามาก็ชอบแต่ไม่บอกใคร <laughs> ตัวพ่อเลย <laughs> แต่ว่าไว้ฟอร์มนิดหนึ่ง ในฐานะกับท่านนะพ <c oughs> านักบินใหม่ออกไปบิน <c oughs> ก็บอกท่านแคร์เรนและวุฒิว่าเงียบเงบไว้เจออะไรก็เงียบเงียบไว้สัมรวมพอบินไปได้ครึ่งทางอันามายไม่รู้ว่าท่านแครเรนท่านชอบฉันทุเรียนก็เห็นท่านหันกลับมาคุยกับวุฒิว่าวันนี้จะได้ไหม <c oughs> <c oughs> วันนี้จะได้ไวุฒิบอก มากับอาจารย์ใหญ่ไม่ต้องโโห่วงวันนี้เต็มบาทแล้วเราก็ไปหยุดยืนอยู่หน้าแผงผลไมล้ในฤ ด, ดูทุเรียนอย่างนี้ในภรรษาเนี่ยโอ้โหหอมกลุ่นทุเรียนเป็นผู้เป็นผู้วางเต็มยมก็ใส่มังคุดใส่กล้วยนำม า, าแต่ตามร่าจุรูปมองทุเรียน ไซเซ็ตโยมก็นั่งรับพรอัตมารู้แล้วว่าวันนี้ไม่ได้อัตมาก็บอกเอาตั้งใจโยมตั้งใจกดนามรับพรให้พรเสร็จอัตมาได้ยินท่านเคเรนถามวุเดวุเดเป็นพระนซื้อกลองได้ไหม อันนมาเลยหันไปน้ำจะซื้ออะไรทุเรียนยืนเฝ้าสิบนาทีนะยมตีนก็ห้องอุยอั้นมาว่า น, นี่คือธรรมะนะธรรมชาติกำลังจะสอนพระบวชใหม่ว่าอยากเรียนะัะอยากเรียนัะก็เลยไม่ได้ซะเลยจนพระบวชใหม่ต้องหันมาคุยกันว่าซื้อไหม มันไม่ง่ายแต่มาบอกท่านแล้วว่าไม่ง่ายขอกชีวิตพระเนะี่ยต่อให้ยืนอยู่ตรงนั้นมองตาแล้วอยู่ตรงนั้นถ้าโยมไม่ใส่ก็คือไม่ใส่เราไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมโยมไม่ใช่โยมใส่อย่างอื่นนะพระบอกว่าโยมคือ <c oughs> เรียนก็ได้นะมันไม่ได้นะ <c oughs> โยมไม่ใส่ก็คือไม่ใส่ เขาไม่ใช่ญาติเขาไม่ใช่คนที่ประวารณาไว้พระไม่มีสิทธิ์ไปขอต่อให้วางอยู่ข้างหน้าหรือลอยมาอยู่ข้างหน้าถ้าจะพภาพไม่ออกปากไม่เจตนาจะถวายพระก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดแทะลมก็ไม่ได้ผิดวิ่ไหนนะเช่นพูดขึ้นมาว่าโยมทุเรียนเนี่ยหอมดีนะ ก็ไม่ได้หน้าที่ของพระในการไปบิยดนาบาตคืออยู่ในความสงบสำรวมห้ามแทะลมด้วยสายตาหรือคำพูดถ้าไม่เจนนันทานจะไม่บริสุทธิ์นี่คือประสบการณ์ที่จะมาก็พาท่านไปฝึกแต่วันหลังก็มีโยมรู้เรื่องก็จัดมาถวายท่านท่านก็มีความสุขแต่มียวันหนึ่ง ปล่อยท่านไปบินทบาทเองวันนั้นท่านมีประสบการณ์ตรงที่ยอดเยี่ยมเราให้ยมฟัง once at วัดุใต้วัดเกิดของพระอาจารย์วอนะพอดีพปุ่นมันจะมีพระสององค์กับเนนหลาย and we went to collect a l s ไปบินทบาทอยู่ดีๆไปบินทับาทกับพันมันจะเป็นสาย สายการบินนะเขาเลือกสายการบินใต้ผ่านทุกหลังทุกหลังทุกหลังมี a พ s every house and there was one house บ้านหลังสุดท้ายเดยวเขาไป <c oughs> คิดในใจเออบ้านหลังสุดท้ายโดยสกรรมก็จะไปฉันเช่าในวัดแล้ว <c oughs> ก็รอหน้าวัดเพราะท่านหิวโยม <c oughs> ท่านคิดว่าเอาละถึงบ้านหลังสุดท้ายละ ไล้จบตรงนี้กลับไปกันได้ฉันแล้วแต่ว่ามันไม่ง่าย <c oughs> มันไม่ง่ายจริงๆอ่ะรอไป5้านาทีมันมีสักคนมาเลย <c oughs> แจกปินโตแล้วน้าพภาคเหนือเขาจะแจกปินโตกับภาคกว่าเจอได้ข้าวอย่างเดียว and then we were standing there five minutes ผมมีสักคนมาเลยเข <c oughs> oh าก็ถามเอง <c oughs> นี่แจ็คเป็นโตก็แจ็คนะครับตุป้ปิ so we waited and waited and then suddenly จะรูะ้ใช่ไหมมีคนเท้าอุ้ยคนเท่าเท่าวิ่งออกมาเออสักรกมเดียวพัเดี๋ยวจะใส่ปากกมเข้ากับั้งไซ้วิ่งเข้าของน้าเนีย่ย คิดในใจอย่างพลั้งเปลเรียนี่รอไป5้านาทีแล้วก็รอไปรอมารอไปรอมาออกมาจากห้องน้ำเราก็ดีใจแล้วเอาละ and when she walked out of the toilet อยู่ดีๆแกออกจากห้องน้ำเข้าไปอยู่ในห้องน้ำนั่งตลอดเวลาที่แกอยู่ในครับยำนึกออกไหมพระไปยืนรอห้านาทีคุณยาย ก็ถือข้าวเหนียวออกมาหนึ่งจานแล้วก็ตะโกนบอกท่านว่าลุงพี่รอแป๊บนะยายเข้าห้องน้ำก่อนแล้วยายเนี่ยถือจานเข้าเข้าไปด้วย <c oughs> แล้วท่านเป็นลูกคุณหนูอยู่สวิตเซอร์แลนด์เวลาจะกินข้าวในพ่อครัวแม่ครัวบ้านท่านเนี่ยสะอาดสุดๆนะใส่ชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์ม ถ้าเจอผมเส้นหนึ่งในยุ่งเลยนะทีนี้พอมาเป็นพระปุ๊บโอ้โหคุณยายโคดข้าวเสียจานบอกพระรอก่อนถือจานข้าเข้าไปในห้องน้ําด้วยท่านเริ่มท่านเริ่มรู้สึกพระอื่นพระองค์รอนานไหยกี่นาทียายเข้าไปห้องน้ํากีน่นาทีอีกห้านาทีเอาจานข้าวเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยนะครับยายไปทําอะไร อันนั้นช่วยนะแล้วไงต่อออกมาแล้วไงต่อ When she came out ตอนที่แกออกมานี่แกก็กลับมาเข้าเนียวครับอังชายตอนที่แกกลับเข้านิ้วนี่แกก็จะเดินออกมาอยู่ดีๆก็ใกล้จะถึงพระเมื่อชีวสเนียดมังอยู่ดีๆมากันก้นน้อมัเขาคิดใช่เอ๊ไอยังของมันเนี Why you do this? แล้วก็คิดในใจยุ่สักกมนนี่สมมติว่าอุ้ยคนนี้กันก้นดอกเกานอะยำฝังทันนะเกาก้นคือยายออกจากห้องน้ำมาเนี่ยก็สะเทือนใจพอแล้วแล้วก่อนที่จะคดข้าวใส่บาเนี่ยยายมือข้างหนึ่งก็เกาก้นออกมาเลย แต่ท่านก็ดันจําแม่นมาตอนที่เข้าห้องน้ำเป็นยายเอามือข้างไหนถือจานข้าวซ้ายนั่นแหละข้างซ้ายข้างซ้ายถือจานข้าวแล้วพอออกมาแล้วเอามือข้างไหนค้นข้าวข้างขวาท่านก็จินตนาการเลยแล้วในห้องน้ําอ่ายใช้มือข้างไหนออกมาก็ใช้มือข้างนั้นอีกค้นข้าวใส่ลงในบาเพราะ เขาจินตนาการขึ้นในใจบ้านนอกครับเวลาบ้านนอกนี่เขาจะเจ๊ตก้นน่ะ <c oughs> ไง่ายๆมันก็จะมีโถใหญ่ๆก็มันจะมีติตักนั่ น, นขันน้ำขันน้าขันน้ำขันน้ำกับเวลาเจ็ตก็ต้องนั่งลง <c oughs> ไม่นอกอยู่แม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้คนไทยเขารู้ <c oughs> แค่นี้ก็ไปไหนตอนไหนแล้วนียอยู่ดีๆก่อนจะใส่บาจิ๋นนงั้คนอีกมันต้องเป็นข้างนั้นแห่นอน <c oughs> so I was thinking สมมติว่านะสมมติว่า <c oughs> สมมุติว่าโ <c oughs> ยมคนนั้นกำเข้ากับข้างซ้ายมันจะต้องยิบเข้ากับข้างขว า, ขาดิ เอาละยุงนะนี่ so I was closing my eyes พิทาอธิทย์นกค่ำบัดพะบด้าเจ้าสมมุติว่าคุณมีแต่ยู่บนฝ้านะคือยงคนนี้เปลี่ยนข้าวติกรรมเป็นข้างขวาคือยิบข้าวตับข้างซ้ายไม่ได้ยิบข้าวตับข้างขวาตอนที่เปิดตา เห็นชัดแล้วยิบกับข้างขวาใส่ในบาตรทุกคงเลยพระต้องยอมจำนนอุตสานิทานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงช่วยดลบันดาลให้ยายเปลี่ยนมือลืมตามาเห็นยายเอามือขวาหยิบข้าใช่บาตเน้นน้อยมองหน้าพระ พระมองหน้าเนนเนเ น, เนเห็นอย่างที่หลวงพี่เห็นไหม <laughs> แล้วกลับถึงวัดทำยังไงกลับถึงวัดก็เดินไปก็เซ็งแล้ว a อวอโซ n ัน e วยแอนเดนเป็นเวลาที่วัดิหนะ้เนนก็จะปักเห็นเพราะพระชันก่อนเนนแอนด์แอฟเตอร์เดตไอคูเดนกินบะลงเลย พ่อพ่อเขาก็ขิ้ในใจเอาละ h o u l d I know จะยัดจะเดีดดีนี่เขาก็มองบ้านบ้านมันก็กลมๆนะคนบ้านสุดท้ายอุ้ยนั่นอ่ะ was the last house เข้าเนียวมันก็จะอยู่ข้างบนนั่นอ่ะเข้าเนียวกันก้นนั่นอ่ะเหมือนหี้ในใจอันนี้บอกฉันแล้ว ล้วก็เลยเอามือนี่สอดเข้าไปสอดเข้าไปทีุ่่มบาดเอาข้างน้านเป็นข้างบนเอาข้างบนเป็นข้างลนน่างเพื่อเนินฉันไปเถอะกลับข้าวเลยวยกแล้วย ก, กให้เนินฉันไป <laughs> อันนี้คือชีวิตลูกคุณหนู อยู่สวิตเซอร์แลนด์จะกินข้าวเนี่ยมีคนคอยบริการอย่างดีที่สุดเจอผมเส้นหนึ่งเนี่ยก็คือต้องปิดห้องครัวมาอยู่ที่นี่ท่านเจอทุกอย่างและท่านไม่มีทางเลือกว่า่านฉันมือเดียวท่านก็มาเล่าให้อดตมมาฟังออตมมา ก, ก็บอกว่าอย่าคิดว่าเป็นพระมันง่ายและนี่คือคติธรรมนะสอนเรื่องทาน ทานที่เราทํากันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนี้แหละไม่ใช่ง่ายนะเวลาจะให้ทานนาะยมคิดให้ดีๆนะอย่าคิดว่าพระไม่รู้เรื่องรู้เราะไม่จะ่นึกจะ อ, อะไรมาให้ก็เอามาให้นะเวลาจะทําบุญจะให้ทานเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาใช้สติไม่ใช่คดข้าวมาแล้วถือจานข้าวเข้าห้องน้ําไปด้วย คำทูลพระในนั้นข้าก็อยู่ในนั้นโยมมันจะไม่คิดอะไรแต่พระท่านคิดฉะนั้นคนสมัยก่อนนี่เวลาจะถวายทานนะจึงมีการกล่าวคำขอขมาอาจะมาไม่รู้ว่าทางสิงห์บุรีมีหรือเปล่านะมึงเหนือเราเนี่ยเวลาจะถวายทานเนะี่ยปู่อาจารย์หรือมรรคนายกจะนำกล่าวคำสุมาครัวาตาน สุมารกรตนก็คือขอขมาต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยการบอกว่าข้าแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเตรียมจตุปัจจัยไตรยธรรมนี้หากได้ล่วงหลังก้าเกินได้ประมาทภาพหลังไปก็ขอโปรโดได้อภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดเนี่ยเป็นการขอขมาซะก่อนเพ่อะไรเพราะเราถือว่าเราเป็นคนดิบมาจัดสำํำนักกับเข้าให้ครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีตอนจัดจัดอยู่ก็นินทาไปด้วยใช่ไหม มันทําให้ทานไม่บริสุทธิ์ไงจับกับข้าวไปกับนินทาหลวงพ่อไปเสร็จแล้วก็จับไปถวายท่านนั่นแหละเนี่ยเราก็ได้ทางกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมใช่ไหมดีบ้างชั่วบ้างขาวบ้างดำบ้างกระปนปนกันไปมันจะทําให้ทานไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นจึงมีธรรมเนียมการขอสมาครัวตานหรือขอขมาต่อทยายรรมเสียก่อนเพื่อทานนั้นบริสุทธ แต่บางครั้งเราก็ละเลยเรื่องเล็กๆนะเวลาจะทำบุญจะให้ทานเนี่ยเรานึกจะถวายอะไรก็จะถวายไปเลยหยิบอะไรได้ก็ยกประเคนประเคนไปโดยไม่ได้คิดแท้ที่จริงเรื่องของทานนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติผู้ดงทรงสอนเสมอว่าทานนั้นต้องทาด้วยความเคารพต้องใช้ปัญญาพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าวิจัยยะทานังทาตับพังนะ วิจัยะทานังทาตะพังสุขตบปัสสถังแปลว่าวิจัยให้ดีแล้วจึงให้พระศ า, าสดาทรงสรรเสริญแปลไทยเป็นไทยอีกชั้นหนึ่งว่าก่อนที่จะทำบุญให้ทานให้เลือกรันกอนกรองให้ดีที่สุดใครทำได้อย่างนี้พระพุทธองค์รง ท, รงทรงสรรเสริญพระองค์ทรงส่งเสริมให้รู้จัก เราให้ทานด้วยการใช้วิจารณญาณอย่างดีที่สุดแล้วจึงให้พระก็เหมือนกันเมื่อยอมเอาอะไรมาให้พระก็ต้องวิจัยก่อนที่จะรับเพราะของบางอย่างมันไม่น่ารับครั้งหนึ่งท่านคาเดนท่านก็เจอโยมก็เอาทานมาถวายอาตมาก็ไม่รู้ว่าโยมวิจัยหรือเปล่าที่เอามาถวายเนี่ยคือโยมเอาอาหารสุนัขมาถวาย ยมคนนี้รักสุนัขมากเอานอนด้วยเอานั่งรถไปทำงานด้วยเปิดเฟซบุ๊กให้สุนัขด้วยวันเสาร์วันอาทิตย์กาสุนัขไปสปาตัดเล็บตัดผมดูแลดียิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่อีกวันหนึ่งเจ้าสุนัขตัวโปรดก็ตายลงไปจึงเอาเพชรดีกรีอาหารสุนัขมาถวายพระ แล้วท่านคาร์เนนี้จากสวิตเซอร์แลนด์มา4ปี5ปีแล้วท่านอ่านภาษาไทยไม่ออกอแต่อาหารสูตรนั่งเนี่ยมันเป็นเม็ดๆมันคล้ายอะไรคล้ายอาหารฝรั่งที่เขากินกันนมอะเคลอส์คอนเฟล็กเออมันคล้ายคล้ายคอนเฟล็กใช่ไหม yes, yes, yes, yes. เออเวลากินเขากินยังไงก็แอดมิลหลอขึ้นมันนุมก็กินเลย เอาเทเอาเทเสร็จด้วยเทนมผสมคนค น, คนพอมันมนุ่มก็ตักใส่เลยโยมเคยกินไหมนั่นแหละท่านกินอยู่ที่สวิสทุกเช้า <laughs> พเพราะโยมเอามาถวายทำมาทำมาให้พรเสร็จ <laughs> ก็บอกคาร์เดนมายกขึ้นไปคาเดนก็ยกขึ้นไปอาดามารับแขกต่ อ, อยชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นมาพอเดินขึ้นมาถึงห้องฉันข้าวคาเดนกําลังคน <laughs> <laughs> อยอาดามาว่าวุ What are you doing ้นได้ยินด้วยย เดินบอกโอ้แอมเว่ย p ีวันนี้ไอจะได้ฉันอาหารโปรดแล้วอนมาเจ้าโงกนะครับไปดูสต๊อกสต๊อนี่ไม่ใช่ของคนนี่ของหมาเพราะท่านอ่านภาษาไทยไม่ออกกำลังจะฉันเพชรดีกรีเห็นไหมฉะนั้นในการให้ทานเนะโยมต้องวิจัยก่อนให้ทาน พระก็ต้องวิจัยก่อนที่จะฉันเห็นไหมเรื่องพื้นๆเรื่องการให้ทานนี้นะทำให้ดี <c oughs> ก็เป็นบุญใหญ่ทำไม่ดีก็เป็นบาปใหญ่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่โยมทั้งหลายจะถวายทานโยมต้องเจริญสตินะต้องเจริญสติไปด้วยนะอย่าคิดว่าพระท่านไม่เรื่องมากหรอก <c oughs> อย่านะที่พระอ้วนทุกวันนี้เพราะใคร ใช่ไหมนี่มีงานวิจัยออกมาว่าพระทั้งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีแนวโน้มที่จะอ้วน 60% โดยเฉพาะพระที่เริ่มเป็นเจ้าววะมันจะมีหุ่นท้วมๆโยมจะถวายอะไรโยม่ห่วงสุขภาพพระหน่อยพระมีน้อยต้องใช้สวยอย่างประหยัดฉะนั้นเรื่องทานพื้นๆไม่ใช่เรื่องพื้นๆ แทนที่จริงทานเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญถ้าทำไม่เป็นทานอาจไม่เป็นทานทานอาจเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งก็ได้เช่นเราทำอย่างหนึ่งและอธิษฐานเสยาวเฟ้เลยนะกลายเป็นว่าเอากิเลสอ่อนๆไปแลกกิเลสแก่ทำไปทำมาเนะี่ยทำทานด้วยความโลภทั้งทั้งที่ ว, วัตถุประสงค์ของทานต้องการกาจับความโลภทาน ต้องการกันกำจัดความโลภแต่เราจำนวนมากไม่รู้เรื่องให้ทานไปด้วยโลภไปด้วยทำบุญนิดเดียวก้มหน้าอธิดฐานครึ่งชั่วโมงขอทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเปิดซองออกมาดูยี่สิบบาทขากกำไรเกินคุนเพราะฉะนั้นระวังระวังให้ดีนะเวลาให้ทานนะอย่าให้ความโลภมันครอบงมเรา เป้าหมายของทานคือกําจัดความโลภและกระนัให้ทานต้องหมั่นเจริญสติพิจารณาให้ดีว่าอะไรควรให้อะไรไม่ควรให้พระก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าอะไรควรรับอะไรไม่ควรรับครั้งหนึ่งในเยมอนหนึ่งเอาถัางสังกะสันไปถวายอัตมาข้างบนก็มีข้าของเครื่องใช้แกะถังออกมามีแต่กางเกงยีนสีผือนอาจามาให้ลูกศิษย์โทรศัพท์กลับไปถามว่าทําไมถวายกางเกงยีน เขาบอกว่าลูกชายชอบแล้วอาตมาถามว่าจะให้อาตมาทำยังไงกับการเกง่งจีก็บอกว่าแล้วมันถึงลูกเยอมไหมอาตมามาคงถึงมั้งเนี่ยคือถวายแบบเอาตามใจใตัวเองชอบค่ะไม่คิดเลยว่าพระจะได้ใช้ไหมบางครั้งก็เอาบุหรี่มาถวายพระ อย่างท่านคารินในสมัยเป็นวัยรุ่นในบางครั้งท่านก็สูบบุหรี่พอแกะถังสังกทานออกมาดูมีบุหรี่ท่านก็เปรี้ยวปากขึ้นมาสมณะต้องบอกว่าอย่านะอย่าแม้แต่จะคิดถ้ารันตัดได้แล้วท่านต้องเลิกเห็นไหมฉันยมจะเอาอะไรไปถวายยมคิดให้ดีนะอะไรที่เป็นอันตรายต่อพระก็ไม่ต้องเอาไปบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบแต่ถวายแล้วเนี่ยสมณะไม่ควรบริโภคก็ไม่ต้องเอาไป ไม่ใช่ว่าถวายอย่างไรแล้วอย่างนั้นมันจะลอยไปมันไม่ใช่สิ่งที่ไปมันไม่ใช่ว่าถวายอย่างไรอย่างนั้นก็ไปปรากฏในโลกหน้ามันไม่ใช่สิ่งที่ไปปรากฏเป็นเรื่องของบุญของกุศลเราถวายอะไรไปก็ตามเดี๋ยวมันก็ไปแปรรูปของมันเองไปในนามของพลังงานแห่งบุญพลังงานแห่งความสุขคนที่เขารออยู่โลกหน้าถ้าเขาอนุมัตินาสาทุปปับ๊บเขาก็พ้นจากที่ยากพลาจากที่ทุกข์ไม่ใช่ว่าลูก ชอบน้ำอัดลมก็จัดน้ำอัดลมไปถวายพระลูกชอบกางเกงยียนก็จัดกางเกงยียนไปถวายพระลูกดูซีรีส์เกาหลีก็จัดซีรีส์ไปถวายพระพระเป็นพระอยู่ดีๆก็จะเสียผู้เสียคนเอาฉะนั้นจะถวายอะไรโยมต้องคิดท่านคารินถามอัตรมาว่าเมื่อไรเนาะจะมีคนตายแล้วคนที่ตายชอบไอแพด เจ้าภาพจะได้เอาไอแพมาถวายมั้งเห็นไหมเพราะฉะนั้นโยมาต้องคิดนะอย่าต้องคิดพระท่านเป็นพระของท่านอยู่ดีๆจะเอาอะไรไปถวายต้องคิดว่าจะได้ใช้งานไหมถ้าไม่เหมาะไม่ควรก็ไม่ต้องออกมาคิดให้ดีก่อนถวายคิดให้ดีก่อนให้คิดให้รอบคอบก่อนให้เหมือนที่พระบุตรพะองค์ตรัสว่าวิจัยยะทานังทาตพัง ใครควรให้ดีแล้วจึงให้พระพุทธองค์ทรงสรเสนญถ้ายังไม่ได้ใครควรให้ดีอย่าเพิ่งเอาไปให้บางครั้งการให้ของเรานั้นอาจจะก่อผลที่ไม่คาดคิดในทางลบก็เป็นได้อันนี้คือเรื่องพื้นพื้นนะเรื่องพื้นพื้นแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทํากันอย่างมักง่ายทานเป็นเรื่องพื้นพื้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องใช้ปัญญาอย่างลึกซึง้งเพราะสาระที่แท้จริงของทานนั้นต้องการกําจัดความโลภ พุ่งตรงก็ไปยังกลางใจของพวกเราทุกคนเลยทีเดียวเอาละนะเอาทานเอาไว้แค่นี้ก่อนเวลาน้อยต่อไปไปเรื่องที่สองศีลจำพปดนดีๆก็ต้องมีศีลท่านคารีนนั้นอรรมภาพก็สอนศีลท่านตอนท่านบวใหม่ท่านก็บอกว่าพระอาจารย์ผมจะศึกละนะเอาทำไมอะศีลห้ายังทำไม่ได้เลยนี่สองยสิบ็ข้อ หันซ้ายหันขวาผิดหมดเมื่อวานท่านมาขึ้นเครื่องกับปัตมภาพเจอพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่สูงอายุมากเนื่องจากท่านคาร์ตอนนี้กำลังดังเริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะเดินผ่านญาติโยมญาติโยมก็ยกกล้องขึ้นถ่ายรูปท่านท่านก็หันไปยกมือให้โยมโอเคนะโยม I wanna go ก็ พ, พูดภาษางกฤษพระผู้ใหญ่หันมามองอะไรเป็นพระยกมือยกมืออะไรอ <c oughs> ันก็โดนตามนี้เห็นไหมอันนี้มันเป็นเรื่องจริงๆมันไม่ผิดศีลอะไรหรอกแต่ในสังคมไทยเขาเรียกว่าโลกระวัชนะอะไรที่เห็นว่ามันจะเลยเถิดโยมก็เตือนเตือนไหมประปรามไว้จริงจริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ท่านมาเล่าให้แต่มาฟังว่าโอ้โห oh 227ข้อคนที่ทําได้คงต้องเป็นเทวดาอาตมาบอกท่านว่าไม่ต้องกลัวหรอกถ้าท่านรักสินห้าให้ดีท่านก็เป็นพระที่ดีได้เพราะสิน227ก็พัฒนาไปจากสินห้านั่นเองฉะนั้นอาตมาจึงให้ท่านฝึกเรื่องศินห้าอาตมาก็สอนท่านฝึกสินห้าเป็นภาษาอังกฤษจนทุกวันนี้เวลา ไปงานต่างๆถ้านจะมาให้สินห้าภาษาไทยท่านก็ต้องให้สินห้าภาษาอังกฤษจำได้ไหมข้อหนึ่งอะไรห้ามกษัตริย์ตัดชีวิตข้อสองห้ามลักขโมยข้อสามห้ามประพฤติผิดในกรรมห้ามนอกใจคู่ครอง <im> mm> <laughs> abstain ab ab from misconduct ีห้ามพูดโกหก s t a from l i ห้าห้ามใช้สุรายาเสพติดห้ามเสพสุรายาเสพติด i abstain from intoxicant ยมงเคยรู้ั้ยเนี่ยนี่สินห้านะ แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนะีย่ยภพ่รอดไหมยมต้องฝึกนะเพราะตอนนี้เราเนะี่ยอยู่ในโครงการหมู่บ้านสินห้าในใครมีสินห้าครบยกมือดิจะได้ชื่นใจ <c oughs> ในใครสินห้าไม่ดังพร้อยเลยวิง่งวิ่งตลอดยกมื อ, อมีสามคน <c oughs> เห็นไหมสินห้าก็เป็นศินสามัญเราเนี่ยพูดกันอยู่ทุกเมื่อเช่อวันเรื่องสินห้าใช่ไหมวันนี้มาถึงนี่สมัรทันสินแล้วยังจะเล่าเรื่องสินห้าให้ฟังว่าต่อให้เป็นสินพื้นๆก็ไม่ใช่ง่ายมีวันหนึ่งอาจารยมาภาพได้รับนีมนไปรับต้นพระป่าในงานวันครูเขาจะทอดพระป่าในงานวันครูตอนห้าโมงเย็นครูทั้งตําบล มาร่วมกันเล่นกีฬาร่วมกันออกร้านร่วมกันจัดงานแล้วตอนห้ามงเย็นจะพร้อมออกพร้อมใจกันฟังเทศอตาตมาไปถึงตอนห้ามงเย็นพิธีกรประกาศครูที่เคารพตอนนี้พระอาจารย์มาแล้วขอเชิญทุกคนมาสมท า, านศีลและทอดพระป่ากันนะครับปรากฏว่าครูแต่ละคนที่มาเนี่ย คือเมาหึงมาเลยหิ้วปีกันมาแล้วก็นั่งแมาลงไปนั่งบังนอนบังสี่ห้าร้อยคนแทบจะหาครูที่ไม่เมาไม่พบเพราะวันนั้นเป็นวันครูครูเล่นกีฬาครูมาออกร้านครูมีความสุขมากอัตมาก็ไม่ว่าอะไร พิธีกรก็บอกเอาคุณครูทุกคนนะครับเราจะสมาทบสินห้ากันนะครับอาตมาบอกพิธีกรยมไม่ต้องทําไมเพราะอาตมาเห็นสภาพแล้วพอไปถึงข้อห้มันจะลำบากกันทุกคน <c oughs> ก็เลยไม่ต้องให้สมาทนสินมันแล้วก็ดูสภาพแล้วคงไม่มีใครรู้เรื่องแล้วอันนี้คือลักษณะอย่างหนึ่งของชาวพุทธไทยนะเรารับสินแต่เราไม่ค่อย รักษาสินเรารับแต่เราไม่รักมันใครโยนลูกฟุตบอลใส่มือเราเราลับแต่เราก็ปล่อยมันตกไปใช่ไหมเพราะถ้าเรามีศินห้าในบ้านเมืองไม่ยุ่งอย่างทุกวันนี้นะอาจามาก็สอนท่านคารเรนว่าอยู่ไม่ต้องปฏิบัติทำอะไรมากมายหรอกเอาสิน5้านี่แหละแล้วทุกครั้งทําวักส่วนมนเสร็จก็จะให้ท่านฝึกแผ่เมตตาด้วย เข้าใจคำว่าแผ่เมตตาไหมอะไรคือแผ่เมตาเมตา Give blessing to all the beings อืมอลองแผ่เมตตาให้ยอมฟังนสสนะะสัพเพสัตตาเอาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษล้วนๆเอาโยมเก่งภาษาอังกฤษมากลย่แล้ว <c oughs> ดูหน้าก็รู้เนี่ย May all beings be free from suffering. May all beings be free from struggle. May all beings be free and happy. n o San san no. l a u g h t e ก็คือคำแปลของสเปสตาเวราหนตุสเปสตาสุกิตาหนตุสเปสตาพยปชาหนตุสเปสตาเนกาหนตุนั่นเอง ไไง่ายๆก็ may you be happy may you be safe may you be strong may you be free from suffering ง่ายๆอ ย, ย, ย, ย, ย, ย่างนี้ธรรมาก็สอนท่านว่าเอ้าเอาไปปฏิบัติ ด, ด้วยท่านก็บอกว่าทําไมพระพุทธเจ้าสอนง่ายจังํ <c oughs> าไมาบอกว่าอย่าไปดูถูกธรรมะพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะในทางปฏิบัติมันไม่ง่ายและวันหนึ่งท่านก็มาบอกอาตมาว่า อาจารย์ว่าผมเกือบพลาดแล้วนะพลาดเรื่องอะไรเมตตาศินข้อที่หนึ่งนะห้ามกระสับกระสิตในทางบวกก็คือจงมีเมตตาต่อทุกชีวิตใช่ไหมท่านคาร์เรนท่านชอบเลี้ยงปลาเล่าให้ยมฟังหน่อยว่าเกือบทํำผิดสินข้อที่หนึ่งนะเลี้ยงปลาอะไรปลาครับปลาครับคุยฟิชอืม พอดีที่วัดก็เตี้ยงปลาคราฟ5ตัว5ตัวในบ็อกบ็อกเล็กๆบอบอ it is small aquarium ับมันเป็นปลาคาสวยมากเลยมันเริ่มจะ ต, ตัวใหญ่แล้ว is they are already one year old เป็นอายุเป็นปีหนึ่งแล้วกับเราซื้อเครื่องปั๊มน้ำ อันละห้ารอยบาทเสื้ออาหารที่มันเป็นถุงละเป็นพันๆตลอด because I really like them ย really ูดีดีต่อทีปิกมาทีวัดย <Yeah. S 1> ูดูไปดูมาเห็นไซอ what is this อันนี้มันคืออะไรนี่ทำไมตอนนี้มันมีป่าอีกสามตัวนี่มันคือป่าของไทยนี่ <c oughs> ปลาท่านมีห้าตัวโยมเป็นปลาคาฟวันหนึ่งท่านลงมาเทศที่กรุงเทพกับอาตมพาพอกลับไปที่วัดท่านไปดูบอ่อปลาของท่านมีปลาแปลกหน้าเพิ่มขึ้นสามตัวรู้สึกยังไง ต, ตอนนั้นตอนนั้นเครียด really angry กลับไปมาคิดไปคิดมามันน่าจะเป็นปลาของพระอีกคนหนึ่ง so I wasn't serious หมดอยู่ดี่ก็ถามปลาของนั่นอันนี้ปลาใครนี่แกก็บอกว่าปลาเนนเนนใครเลี้ยงปลาแล้วเบื้อ้าในใจจะเลี้ยงหัตถ์ใหญ่ยังไงเดอะอสูรแมดี้ฟ <laughs> so ิชปลาเยอะแยะนี่มองปลาของเราก็ได้อยู่ดีๆก็เลือกเนนมาบอกว่านี่นี่นปลาของยูแมนก็แกก็บอกว่าแมนละครตุ๊กปี๊ตุ๊กปี๊จะยิบออกมายำหัวมันนะ อย่าไปนึกออกมาท่านบอกแนนว่าลุงพี่จะหยิบออกมาเยียบหัวมันนะทําไมถึงอยากจะทําอย่างนั้นเพราะมันเพรามันเป็นอุ้งง่ายๆมันเป็นปลาตัวละสิบปลาแล้วปลาของด้านตัวละเท่าไหร่ตัวละฮะหกร้อยหนึ่งห้าสิบตอนนั้น่ะปลาคราฟตัวละเท่าไหร่ หก <6. S 2> ตัวละร้อยตัวละร้อยตัวน้อยๆเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแล้วท่านมีปลาครับตัวละร้อยห้าตัวเลี้ยงได้แต่เล็กอย่งกระลูกจนมันสวย ง, งามนะโยมนะแล้ววันหนึ่งก็มีปลากระจอกสามตัวก็ <c oughs> <c oughs> วละสิบบาทมาอยู่ในบ่อฟลาครับของท่าน <c oughs> พระผู้เพียมเมตตา <c oughs> <c oughs> ชอบภาวนาท่านนั่งสมาธิครั้งละสองชั่วโมงนะ หลังนั่งสมาธิปุ๊บไั้ก็จะแห็เมตตา My own beings be free from suffering ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และตอนนี้ปราผู้เปี่ยมเมตตาจะทำอะไรกับปลาตัวละสิบบาทเลยจับมันออกมาคว้ามใส่ปาะอีกอันหนึ่งเพราะสองสารปลาเพราะปลาตัวนึงมันบงงานสุดๆ really disgusting ห <c oughs> อมด้วยหัวของแลแล <laughs> อีกตัวหนึ่งกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมา <c oughs> เขาบอกว่าเนยแคนักแคนักสมมติว่าป่าตัวนี้มันกระโดดมันสอนนิสัยรือปา่าเราอื่นมันกระโดดผู้ก่อตั้งปีเลี้ยงปา่าตัวนี้เป็นปีเออุ้มมันอาหารเป็นปันเป็นปันมันกระโดดตายมันมันมาได้นะ เลยยิบมันเลยยิบมันเลยกว้างอีกครอบหนึ่งเพราเอาสิ่งมันดีแล้วเขากว้างปืนยาหัวมันเลยยอมเห็นเลยอ่ะนี่คือเราจ้พุทธนะแผ่เมตตาทุกวันแผ่อยู่ที่ริมฝีปากนี่ในทางปฏิบัติฉันแต่จะเปิดใจกว้างให้ปลากระจอกสามตัวก็ไม่ได้ เห็นไหมเดชะบุญท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านแค่คิดนะท่านแค่คิดแล้วทุกวันนี้หาทางออกยังไงปลาสาตัวนั้นย้ายสามโนครัวหรือยังสองตัวเอง1ตัวเขามีเมตตา only one ท่านมีเมตตาให้อยู่บ่อเดียวกับปลาครับหนึ่งตัว อีกสองตัวนั้นท่านบอกว่ามันไม่ได้เพราะสองตัวนั้นมันชอบกระโดดท่านบอกว่ามันจะชวนปลาคาร์ฟเนี่ยกระโดดออกจากบ่อเสียนิสัยปลาผู้ดีจากสวิสจะเสียนิสัยนี่เห็นไหมโยมธรรมะมันก็อยู่ตรงนี้ธรรมะมันไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่โยมจะเข้าใจมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ขอให้เรามีสติมีความละมยดละวังที่จะพินิจพิจารณาโยมจะเห็นว่าธรรมะอยู่ทุกคนทุกแห่งตอนนี้พอท่านมาเล่าให้อดตมมาฟังออตมาก็เลยสอนว่าไหนล่ะพระผู้เปี่ยมเมตตาแค่นี้ยังใจไม่กว้างให้ปลาได้อยู่ <c oughs> <c oughs> เป็นไหม <c oughs> กลับกลับไปถึงเชยงราย กโกรธจนทำอะไรไม่ถูกแต่ตอนอยู่กรุงเทพมาสอนโยมเรื่อง loving kindness <c oughs> ก็คือเมตตาธรรมกลับไปจะกระทืบปลากระจอก <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นสินห้าข้อนี้แม้จะเป็นสินพื้นฐานเป็นสินสามัญโยมอย่าดูถูกว่ามันง่ายรับนะมันง่ายพูดนะมันง่ายแต่ถึงเวลาจริงๆจะทำได้สักกี่คน เอาเข้าจริงๆกับเวลาสมทานสิทธาไม่มีมัคคณายกนำมันจะได้ไหมว่าคนเดียวนี่ไหวไหมอ น, นาจิปาตาถ้าว่าฟมกันละเสียงดังเชียวพอพูดนำเงียบจอดเลยไปต่อไม่เป็นพระหลาดมากนะชาวพุทธไทยเนี่ยนะเพลงชาติก็เหมือนกันเพลงสันเสริญพระบรารมีก็เหมือนกัน ถึงเวลาร้องรวมกันเป็นหมูขนาน้าเน่โอ้โหพึงพายใช่ไหมพอหัวหน้าหยุดหายใจปุ๊บล่มนี่สะท้อนว่าความเป็นชาวพุทธของเรานั้นน่าเป็นห่วงมากพระอาจารย์จึงบอกท่านคาร์เนเสมอว่าอยู่ยังไม่ต้องฝึกธรรมะขั้นลึกหรอกเอาพื้นๆแค่สิน5ห้านี่แหละสิลข้อที่หนึ่งให้เรานั้นมีเมตตาต่อทุกชีวิตโดยไม่มีข้อยกเวน้น ท่านรักปลาท่านต้องรักปลาทุกตัวในโลกนี้ไม่ใช่รักเฉพาะปลาคราฟของท่านแล้วไปเดียดฉันปลากระจอกอีกสามตัวปลาทุกตัวในโลกต้องการสวัสดิภาพพอๆกับปลาคราฟด้วยปลาคราฟก็สําคัญปลากระจอกกระจอกก็สําคัญปลาทุกตัวสําคัญไม่ใช่เพราะว่าขนาดหรือราคามันต่างกัน แต่ที่สำคัญก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันฉะนั้นสิ่งก็ที่หนึ่งสอนให้เรานั้นเคารพชีวิตทุกชีวิตโดยไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเมตตาและไมตรีเราไม่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรงเราไม่ส่งเสริมการเข่นฆ่าราวีเราไม่ส่งเสริมการสังหารพลานชีวิตการฆ่าทุกๆชนิด พุทธศาสนาถือว่าไม่สมควรด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนิ่สินข้อที่หนึง่งสินข้อที่สองเคารพในกรรมเสแห่งทรัพย์สินของผู้อื่นทรัพย์ ส, สินของเราเราก็รักทรัพย์ ส, สินของผู้อื่นผู้อื่นก็รักชั้นใดก็ฉะนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วจึงไม่ควรไปขโมยทรัพย์สินของใครใดใดทั้งสิ้นในโลกนี้ศินข้อที่สามเคารพทุกๆุความสัมพันธ์ เราไปสารต่อความสัมพันธ์กับใครไว้เราไปเชื้อเชิญเอาใครก็ตามมาเป็นหุ้นส่วนแห่งชีวิตของเราผู้ชายไปเชิญในผู้หญิงมาเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นพันธุาผู้หญิงเปิดใจรับเอาผู้ชายมาเป็นสามีเป็นคนรักมาเป็นพ่อของลูกก็แสดงว่าเราต่างก็เป็นหุ้นส่วนชีวิตของกันและกันเราไปเชิญเอาใครมาเป็นหุ้นส่วนของชีวิตเราต้องเคารพใน ชีวิตเจิตใจของคนคนนั้นคนหนึ่งคนที่เขาตัดสินใจมาอยู่กับเราก็เท่ากับว่าเขาฝากชะตากรรมของเขาให้อยู่ในอุ้งมือของเราความรักต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบถ้าคุณไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบคุณจะเป็นละเมิดต่อใครเช่นเห็นคนสวยคนงามเดินมาคุณไปกระทําชําราเขาเกิดประมาทพลาดครังเป็นอะไรขึ้นมาเหมือนกรณีครูคนหนึ่งที่ถูกกระทำชำเราเห็นไหม ครอบครัวเขาล่มสลายลงไปเลยคนดีๆคนหนึ่งล่มสลายลงไปเลยอันนี้คือการละเมิดต่อชีวิตของผู้อื่นโดยไม่มีความรักเป็นพื้นฐานฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรักเราก็ไม่ควรจะไปตั้งต้นความสัมพันธ์กับใครเพราะหนึ่งครั้งที่เราไปตั้งต้นความสัมพันธ์กับใครมันมีแนวโน้มว่าจะทำให้คนคนนั้นมีโอกาสที่จะสุขหรือโอกาสที่จะทุกข์บางครั้งทุกข์มากกว่าสุขด้วยซ้ำไป สินคดีสามจึงเตือนพวกเราว่าให้เรานั้นเคารพในปฏิสัมพันธ์ถ้าท่านไม่มีความเคารพถ้าท่านไม่พร้อมจะให้เกียรติใครท่านอย่าเพิ่งสารสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งนะเพราะหนึ่งครั้งหนึ่งคนที่ท่านสารสัมพันธ์ปับ๊บมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาและแน่นอนมันก็จะเปลี่ยนชีวิตเราด้วยประมาณภาพพลังเป็นอะไรขึ้นมานี้ถึงเลือดถึงเนื้ อ, ถ, อถึงชีวิตได้ใช่ไหมฉะนั้นเรื่องสินคดีสามเป็นเรื่องใหญ่นะ มันมีพัฒนาการของความสัมพันธ์มีพันธะแล้วไปมีอนุพันธะคือมีชู้ใช่ไหมมีชู้แล้วไปมีคนก็มีกิกมีกิ๊กแล้วไปครอบอีกคนก็มีควิกซึ่งพระอาจารย์บอกไปแล้วใช่ไหมควิคือส่วนผสมของกิกบวกควักบวกควายกลายเป็นควิกนะฉะนั้นทุกๆความสัมพันธ์นายพระพุทธองค์บอกว่าอย่าไปละเมิดดังนั้นถ้าท่านมีความรักต้องมีความรับผิดชอบส ทุกๆครั้งที่เราสื่อสารควรใช้วาจาแห่งความรักภาษาพาเรียกปิยะวาจาอย่าไปใช้พารุสวาจารหรือแฮสปิชวาจาที่พูดออกมาแล้วก่อให้เกิดความทุกข์รมขม่มไม่แก่คนที่ได้ยินได้ฟังเวลานีเมืองไทยเราใช้แฮสปิชคือวาจาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเยอะมากเราใช้ขยัข้อมูลปฏิกูลข่าวสารไปกล่าวหาคนนั้นกล่าวหาคนนี้ ด้วยความ ส, สนุกสนานเมามัมมนขนองปากวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่รับผิดชอบพูดมาครั้งหนึ่งเรารู้สึกดีจังเลยที่ได้แสดงภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญาแต่คนซึ่งตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณนั้นเขาเจ็บปวดฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราจะพูดให้ถามตัวเองเสมอว่าเรามั่นใจไหมว่าสิ่งที่เราพูดนน้นเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ท้าไม่มั่นใจว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นจะเป็นสิ่งที่ดีพอพระพุทธองค์บอกว่า เธอมีสองทางเลือกหนึ่งถ้าจะพูดจงพูดอย่างปัญญาชนสองถ้าไม่มั่นใจว่าจะพูดอย่างปัญญาชนได้จงเงียบเพราะเงียบไม่ได้ทําให้ใครเจ็บปวดทุกวันนี้พี่น้องเราชาวไทยนั้นใช้คําพูดทิมแทงกันทําลายกันพูดโดยไม่คิดเขียนโดยไม่คิดโพสโดยไม่คิดแชร์โดยไม่คิดไลค์โดยไม่คิดก็ก่อให้เกิดดราม่าไปทั่วทั้งสังคมโซเชียลมีเดียใช่ไหมไมันเป็นอย่างนี้ นีข่าวคราวเยอะแยะมากมายที่ทําให้คนไทยต่อคนไทยในเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะฉะนั้นเราจะสื่อสารเนีไม่ว่าจะสื่อสารด้วยวาจาสื่อสารด้วยการเขียนสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียอยากฝากพวกเราเนิดหนึ่งว่าคิดทุกคําที่พูดอย่าพูดทุกคําที่คิดเพราะหาพูดทุกคําที่คิดมีสิทธิ์ติดคุกทุกครั้งที่พูดคิดให้ดีนะต่อไป สินก็ดีฮะเคารพในสุขภาพของตัวเองเคารพในสุขภาพของคนอื่นด้วยการไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดและด้วยการปลอดจากอบายามุกทุกๆชนิดคนหนึ่งคนที่มีสติทำให้คนนับแสนนับล้านปลอดภัยใช่ไหมคนหนึ่งคนที่ขาดสติทำให้คนอีกมากมายตกอยู่ในอันตรายเช่นคนหนึ่งคนที่ดื่มเหล้าแล้วขับรถบนทองถนนยอมรู้ไหมว่า เพื่อนร่วมทางกําลังตกอยู่ในภาวะอันตรายแล้วเพราะอะไรเพราะมีคนที่เป็นต้นตอของอุบัติเหตุร่วมทางกับคุณในทางกลับกันถ้ามีคนขับรถด้วยสติคนนับร้อยนับพันที่ใช้เส้นทางเดียวกันได้รับการปกป้องแล้วเพราะฉะนั้นสติของคนคนหนึ่งหมายถึงสวัสดิภาพของคนอีกมากมายนับไม่ท้วนความประมาทของคนคนหนึ่งก็หมายถึงอันตรายของคนมากมายนับไม่ท้วน สติของเราจะส่งผลถึงตัวเขาหรือตัวคนอื่นเสมอไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสติของคนคนหนึ่งจะส่งผลถึงความสุขของคนอีกคนหนึ่งเสมอไปความประมาณของคนคนหนึ่งก็จะส่งผลถึงความทุกข์ของคนอีกคนหนึ่งเสมอไปถ้าเรามีสติครองกายครองใจของเราให้ห่างจากสุรายาเสตินและบบยาโมทุกชนิดเรากำลังรับผิดชอบสังคมแล้ว การรับผิดชอบสังคมนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นนักการเมืองใหญ่ไม่จําเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเราต้อคนคนเล็กคนน้อยนี่แหละขอแต่เพียงเราเป็นคนที่มีสติแค่นี้เราก็ร่วมรับผิดชอบสังคมได้แล้วเพราะถ้าเรามีสติเราจะไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายสังคมด้วยการคิดร้ายพูดร้ายและทําร้ายเห็นไหมฉะนั้นสิ่งห้านะเราราบกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวัน แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราแผ่เมตตากันอยู่ทุกวันแต่ถามว่าคุณมีเมตตาจริงๆหรือมันมีบทเรียนแห่งเมตตายอยู่เยอะแยะมากมายในชีวิตจริงซึ่งเรามองข้ามครั้งหนึ่งก็จมาไปประเทศปูตาลกับองค์การยูนิเซระหว่างที่คณะของเรากำลังเดินทางไปอีเมืองหนึ่งมีรถนำขบวนพวกเราไป มีรถตำรวจนำหน้าสองคันเป็ดท้ายอีกสองคันเพื่อดูแลความปลอดภัยให้คณะของทางการอัตามาภาพก็นั่งอยู่ข้างหน้าเข้าไปได้สักพักหนึ่งจูๆรถตำรวจก็หยุดลงแล้วเจ้านั้นที่ก็กระชับอาวุธในมืออัตามาคิดในใจสงสัยโดนปล้นหันไปถามทังคน ข, ข้างๆคุณรู้สึกว่าไงเขาก็บอก ไม่รู้สิอะไรจะเกิดขึ้นเห็นเขากระชับอาวุธหมด้วลงไปยืนหมดเลยเจ้าหนา้าที่ตำรวจอาดามา ก, ก็งเงีประตูออกไปอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งเห็นเจ้าหนา้าที่ตำรวจก็หนึ่งเอาปืนไรเฟลิลไปวางไว้ข้างถนนหยิบเอากิ่งไม้แห้งข้างถนนทอดลงบนพื้นถนนให้หอยท่าตัวหนึ่งไต่ขึ้นกิ่งไม้ แล้วก็เอาไปวางข้างถนนเสร็จแล้วเขาก็บอกโอเครถเคลื่อนออกไปที่พูตานั้นทั้งประเทศเป็นประเทศพุทธบนหลังคาบ้านจะปักธงสีขาวและวก็ทานมังสเวรัตกันทั้งประเทศน้ำสีน้ำฟ้าสีฟ้าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากเขาเคารพทุกชีวิตอย่างนี้จำเห็นด้ยังนี่คือบทเรียนแห่งเมตตา ชีวิตทุกชีวิตเป็นชีวิตที่มีคุณค่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดกันที่ข น, นาดแต่วัดที่ความเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันกันกบเราหอยท้าชีวิตหนึ่งเราชีวิตหนึ่งสาคัญพอๆกันในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของชีวิตเหมือนกันและนี่คือบทเรียนแห่งเมตานะในเมืองไทยซึ่งประกาศต่อชาวโลกว่าเราเป็นเมืองพุทธมั่นใจเหรอ เรกินทุกอย่างเลยนะหมากินไหมตุ๊กแกกินไหมจิงกากินไหมมดแดงกินไหมงูกินไหมนกกินไหมปลากินไหมกินทุกอย่างมีวันหนึ่งอาจมาภาพไปบรรยายรทำที่วัดแห่งหนึ่งในภาคกลางนี่แหละแล้วหลังวัด แม่น้ําไหลผ่านโอ้โหตรงคุ้งน้ํานั้นมีปลาเป็นแสนแสนตัวเลยมอกินอาหารที่นะท่องเที่ยวโปรยให้พอเทศเสร็จพระอาตมาก็เดินตามหลวงพ่อเจ้าว่าหลวงพ่อกระพาไปโปรยอาหารให้ปลาเป็นการทําบุญใกล้ๆกันนั้นมีนักท่องเที่ยวคณะหนึ่งกําลังโปรยอาหารปลาเหมือนกันอาตมาก็โปรยอาหารให้ปลาแล้วอาตมาก็ยิ้มมีความสุขที่ได้ทําบุญใหญ่สักพักหนึ่งก็ได้ยินคณะข้างๆนั้นพูดลอยๆขึ้นมา ดูๆๆๆูโอ้โหตัวใหญ่มากแม่นี่ยต้มส้มนะเราคิดในใจนี่หรือชาวพูดเขาคงไม่ได้เห็นปลาเราวันนั้นอนะเห็นต้มโคลงเห็นต้มส้มใช่ไหมอีกคนหนึ่งแถมขึ้นมาโอ้นี่ทัานลาบนะเห็นะไหมนี่เห็นปลาไม่ใช่ปลาเห็นปลาก็เป็นอาหารหมดฉะนั้น ศินหนะข้อที่1เตือนเราว่าเราคว ร, รเคารพต่อชีวิตทุกชีวิตเราไม่ควรจะส่งเสริมการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบนี่แหละถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเมืองพุทธต้องไม่เต็มไปด้วยความรุนแรงเนาะสิลข้อที่2ก็ต้องไม่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันใช่ไหมสิลข้อที่3ก็ดีค่มขืนก็ทำจาเราคงไม่เยอะอย่างนี้เนาะสิลข้อที่สคนก็คงไม่ทําลายกันด้วยวาจารยา์คายใช่ไหมศิลข้อที่ห้า คงไม่มีคนบาดเจ็บล้มตายเพราะเมาแล้วขับปีหนึ่งประมาณหกร้อยคนต่อปีเพราะฉะนั้นเราว่ารับสินแต่ไม่ค่อยสมรธานสินอันนี้จึงฝากไว้ด้วยนะดูตัวอย่างท่านคารเรนซึ่งบัตรนี้ท่านเป็นพระที่มีเมตตาแล้วสามตัวอนุ ญ, ญาตให้อยู่ในบ่อประครับได้หนึ่งตัวถือว่าเป็นเมตตาขั้นสูง <c oughs> ก็ต้องฝึกกันต่อไปนะเอ้ามาเรื่องที่สามเรื่อง พาวนาท่านจําบรรษาที่ใต้ต้นโพมาหนึ่งปีอัตรมาถามว่าทําไมชอบจําวัดใต้ต้นโพท่านบอกว่าอ่านประวัติแล้วพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพผมจําวัดตรงนี้แหละวันหนึ่งตื่นขึ้นมาอาจจะตรัสรู้ก็ได้แล้ววันหนึ่งมันก็จริงนะมีวันหนึ่งท่านนั่งสมาธิสองชั่วโมงแล้วเกิดอะไรขึ้น After I open my eyes หลังจากเปิดตาฟิ้นในใจ่ายนี่แหละชีวิตคนคนตาสลุตอนนั้นนั่งไปนานแค่ไหนสองสามชั่วโมงนั้นนะครับแล้วมันรู้สึกยังไงทำไมถึงรู้สึกขึ้นมาว่าเราบรรลุธรรมแล้วมันนั่งสมาธิขาก็ไม่ชาอะไรก็ไม่เป็นอะไรลุกขึ้นก็สบาย เดินก็เม่บคิดอะไรเลย and when I went to sleep ก็รับสบาย and then in the morning when I woke up แต่ก็ขึ้นมาลงก็พัดมีเสียงนกคิดในใจนี่แหละชีวิตของตัก๊กเซิร์ฟ <c oughs> ง่ายๆคือแกคิดว่าแกเป็นพระอรหันต์แล้ว <people and S 1> <ain> แล้วท่านใดนั้นเองจะรอจะล้ะลว <c oughs> suddenly I stood up <c oughs> ลุกขึ้นมากบมันรู้สึกยังกับหมูตรงขามันเหมือนโดนไหม้ไม่ลูดใส่ขูดใส่แปลด้วย Like uh, I walk past a stick, เหมือนมีไม้เหมือนมีไม้มควนอยู่ที่ขาเนี่ยขานี่นะตรงเท้านะตรงเท้าน่ะเหมือนมือกิ่งไม้มควนอรู้สึกรายเคืองอืม And then I watch, I look down there at my feet, กอมองตรงตีน สมาร์ได้เยอะได้เยอะเอาสอร์นะท่านแปลตรงไหก็มองลงไป a อนด์ไอซอรมีขายาวๆสีดำดำขึ้นมาแปะมีคนด้วยอีกขาอันนึงเขาขึ้นมาแปะอีกขาขึ้นมาตกแปะเขาขึ้นในใจ What is this? is อะีรคืออะไรยูนิตทิ้งตัวขึ้นมาป้าจ a าสไปเดอร์แมนเรานี่ไม่งบงใจยขนาดนักคงเต็มเลยตอนนั้นอะ่ะเฮาวดไปได้เลยกัโดนขึ้นไะโดนขึ้ น, น, นปีนอยู่กลางฟืนสะบงอยู่บนหัววดเลย วิ่งเป็นหุ่นขี้เป็นจอบอ่ะท็กัดโดดไปกัดโดดมาเต็งอยู่อย่นัน่ะปัดสมงปัดขาเนี่นะนะโอ้โหคิดในใจโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเพราะตอนนั้น I t h ิ้ k The Spider แมงมุมมันน่าจะอยากอนุโมทนาน่าจะบอกว่าดูดีได้รับกำเนิดได้มันอุ่นดีครับ ตอนนั้นมันราดูหนาวมันเย็นแต่แต้เลยมันมันน่าจะไปนอนที่มันอุนอ่นๆอยู่ตรงนั้นอ่ะ <c ười> คืออา ก, กาศกมันหนาวมากเดือนอะไร it was december ธันวา yes of oh. november december ก็ <c ười> ประมาณพฤจิการธันวานั่นแหละท่านก็คิดว่ามันมุมยักษ์นะมันมุมยักษ์ big spider man มันก็ไปอยู่ในมันก็เป็นนอนในในโปกงผ้าของท่านท่านสัญญิตานว่ามันคงอยู่มานทั้งคืนพอท่านลุกขึ้นมาแล้วมันหลุดพัวลงไปท่านก็เห็นวิ่งจนป่าราบไปหมดแล้วคนงานซึ่งมาทำงานก่อสร้างเขาก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็วิ่งออกจากกระท่อมออกมาดู เห็นพระฝรั่งรูปหนึ่งวิ่งไปยืนอยู่หน้าวิหารโดยที่ไม่มีอะไรหุ้มกายเลยที <G ee> ่วันมันร่วงอยู่ตรงนั้นอาตมามองว่านี่คือการพิสูจน์โดยธรรมชาติเพราะเมื่อคือนท่านเข้าใจผิดว่าท่านเ <EN> อ็นลายึง <un> ก็คือท่านตัดจะรู้แล้ว อาตมาคิดว่าเทวดาอารักคงอยากจะเตือนท่านว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมโยมคือตอนนั้นท่านท่านไปแล้ว่ะนะเกิดสัญญาวิปลาสแล้วคือนั่งสมาธิสามชั่วโมงและจิตมันสงบแต่ท่านก็หลับลงไปเนี่ยพร้อมกับความตั้งใจว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราจะต้องไปรายงานท่านวอให้รู้ว่า ท่านวอนั้นบวชมายี่สิบกว่าพรรษายัางไม่บรรลุอันนี้ความคิดของแกนะเราบวชมาพรรษาเดียวเป็นพระอรหันต์ก็เลยเจอการทดสอบโดยบิ๊กสไปเดอร์แมนนี่แหละชีวิตการภาวนาของท่านนะมันไม่ง่ายใช่ไหมกว่าจะตัดสรู้ไม่ง่ายนะแล้วมีอีกวันหนึ่ง วันสุดท้ายที่วุฒิจะลาสิขาจะมาจับปฏิบัติเข้มด้วยกันปิดวาจาเข้มหนึ่งวันหนึ่งคืนงดพูดงดอ่านห้ามเยี่ยมห้ามประกันชันมื้อเดียวและคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งท่านคิดว่าท่านได้บรรลุเหมือนกันเล่าให้โยมฟังหน่อย uh, that day I wanted นัทวิทไม่อยากชันเช่าเลยไม่อยากชันเพนเลยก่อนนั่งสมาธิตั้งแต่เช้ามันมีโยมมีคนหนึ่งชื่อแคลมาลันแกก็มาเดินสมาธิตอนนั้นะ่ะเป็นฝรั่งเหมือนกันจากสหรัฐอเมริกา and when I was meditating เราก็ตั้งใจเอาละตอนนี้บอเอาบอลุกเลยนั่งไปตั้งแต่ตีห้า เลยชันเช้าถึงชันเพลงเลยเราก็คิดในใจเราได้ยินจอนติงดังดิงังิงังพอพระอันลนูกอื่นชันเพลงแล้ววีดีดีมันมีเสียงขึ้นมาตอนที่เขาไม่ได้ฉันแล้วมันมีเสียงนึงขึ้นมาแตกแตกเยยบไปไมนะเช็ดช เอาขึ้นในใจเอาละลองคองกันแล้วนี่พกนั้นมันสำคัญโยมมันเป็นบทธรรมชาติของไร่เชิญตะวันโซนนั้นแม่แน่จริงอย่าไปนอนอาตมาเนี่ยจัดให้พระใหม่ไปนอนอาตมายังไม่นอนเลยแล้วอะไรที่ค่อยๆมาใ ก, ใกล้นั้นเสียงอีกครั้งหนึ่งี่เป็นเสียงยังไง โอ้โอโหเวลารับตามันน่ากลัวนะมันไม่ใช่แบบน้อยๆนะลองดูรับตามีเสียงมานี่มันคืออะไรของมันวิวดีสิงต่อไปดูซึกตรงเขามันแค่แคแคเหมือนเล็กคูดเราเราก็คิดในใจเอาละนี่ นี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าแกไล่ผีทุกดวในสมองแกผีมาหาแล้วนี่ท่านท่านก็ทบทวนในพุทธประวัติก่อนจสรู้ท่านคิดว่าพระพุทธเจ้าคงเจอแบบนี้คือพระยามารแต่ท่านคิดว่าตอนเนี้ยมารกาลังมาหาท่านอยู่ดนนี้น รู้สึกอยังเย็นเย็นอุ่นอุ่นตรงหน้านะ <c oughs> เปียกเป oh ียกแฟลกแฟลกโอ้โหเม้นคอมเม้นต์อีกมันคืออะไรตอนนั้นเขาเรียกมูดี้ยังไม่ลืมตา but then after we finish เราก็เลยอดไม่ได้แล้วตอนนั้นไม่อยากนั่งสมาธิละเพราะมันนั่งจดมันมเม้นเลยมันเม้นขนาดนั้ เลยสิบนาทีต่อไปกับเจ๊น่าไปโยมมีคนหนึ่งก็มาหาพาเลนนีได้รูปพี่ขนาดนั้นนี่รูปอะไรนี่หมาเลียนบ้านหมาไปเลียนหน้าแกตอนนั้นแกกินปัญยามานมา แล้วตาเก้งผ่านมาพอดีไปเห็นตอนมหาเรียนนะแกก็ไม่ลืมตาเพราะแกคิดว่างานนี้ขอสู้จนตัวตายเพราะพระพุทธเจ้าก็สู้มาอย่างนี้แหละก่อนตัดสรุปท่านก็คิดว่าเอาลนะท่านเจอสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเจอก็ เ, เลยหลับตาพริ้ถ้าเจ้าชายสิทธัตถสู้ได้เราก็สู้ได้แปลกขึ้น <c oughs> เปลี่ยนหมดเลย เป็นหมาพันไซบีเรียนยอมมามาถวายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยมันชอบไปเลียมือเลียเท้าเราแต่ท่านคาร์นไม่รู้มันนึกยังไงมันเลียนะ้ำผักลงมาพอลืมตาขึ้นมาท่านจึงรู้ว่าไม่ใช่และตอนนี้ยังเข้าใจว่าเป็งบรรุอยู่หรือเปล่าห <c oughs> <c oughs> รือว่าบรรุแล้วตอนนี้คอรู้เป็นฟนธรรมดาเฉย นี่แหละอาตมาถึงบอกท่านว่ามันไม่ง่ายไม่ใช่ว่าบวชปุ๊บมันจะบรรลุปั๊บเลยไปอยู่ใต้ตน้นโพปุ๊บมันจะตัดสรู้เลยไม่ง่ายในพุทธศาสนานั้นมีการประพฤติปฏิบัติไปตามลำดับเหมือนพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าถ้าเลนั้นมีความลาดลุ่มลึกจากฝั่งไปจน ถ, ถึงกลางฉันใดธรรมะ ม, มิไหนของเราก็ฉันนั้น มีการประพฤติปฏิบัติจากทานศีลภาวนาไปจนถึงนิพพานว่ากันไปเป็นขั้นเป็นตอนชั้นนั้นเหมือนกันนี่แหละยอมเห็นหรือยังฉะนั้นการเป็นชาพุทธของเรานั้นก็ให้ปฏิบัติกันไปเป็นขั้นเป็นตอนเนาะอย่าไปโลภโมโทสันบวชปุ๊บอยากนิพพานเลยมันไม่ง่ายว่ากันไปทีละขั้นขั้นแรกก็ทานแค่ทานเนี่ยตะมาไม่รู้ว่าจะสอบผ่านกันหรือเปล่านะ ทานนั้นกําจัดความโลภเวลาให้ทานให้ตั้งเป้าว่าเราให้นี้เราจะไม่ยึดติดถือมัน่นเป็นการฝึกชําระใจของเราให้บริสุทธิ์สะอาดขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นอันนี้คือทานฉะนั้นมาฝึกในศีลศีลก้อที่หนึ่งก็ฝึกเมตตาศีลก้อนที่สก็ฝึกเคารพในกรมรมเสด็์ศีลก้อที่3ามฝึกเคารพในชีวิตคู่ศีลก้อที่สฝึกเคารพในข้อมูลข่าวสาร สิ่งก่อนที่ห้ฝึกเคารพในสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของคนอื่นจากนั้นจึงเลื่อนขึ้นมาถึงภาวนาภาวนาก็ไม่ใช่ว่าทำบุญเอาหนะ้าภาวนาชื่อหัวใจของภาวนาก็คือภาวนาจนเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นแก่นสารของชีวิตไม่ใช่ภาวนาไปภาวนาไปจะไปเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็ น, นโน่นเป็นนี่ ทุกๆความเป็นมีค่าเป็นความทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นแก่นของการภาวนาไม่ใช่ภาวนาเพื่อที่จะเป็นอะไรนะเราภาวนาเพื่อที่จะเห็นกิเลสในจิตในใจของเราต่างหาอันนี้คือแก่นของความเป็นชาวพุทธถ้าโยมปฏิบัติในศีลในสมาธิในภาวนาหรือในทานในศีลในภาวนาให้ถูกต้องแล้วทําเพียงสาข้อนี้แหละโยมที่เรานํามาประพฤติปฏิบัติอย่างดีนี่แหละ จะปกป้องคุ้มครองเราจากความทุกข์และความมั่นคงของพระพุทธศาสนาก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติธปฏิบัติของพี่น้องเราชาวพุทธเท่านั้นเองเราจะบัญญัติพระพุทธศาสนาให้ประจำชาติหรือไม่ให้ประจำชาติสิ่งนั้นไม่สู้สำคัญเท่าไหร่สิ่งสำคัญคือเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราประพฤติปฏิบัติธรรมหรือไม่เราเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นหรือไม่ รู่ดวงเคยตรัสเอาไว้ก่อนจะดับขันะปรินิพานว่าใครก็ตามมีความรักในตัวเราใครก็ตามมีความเคารพในตัวเราก็ขอให้เขาคนนั้นปฏิบัติธรรมพระอัตถกถาาจารย์อธิบายพระไตรปิฎกนามาขยายความต่อว่าใครก็ตามเคารพในพระพุทธเจ้าก็ขอให้เขาคนนั้นปฏิบัติธรรม เพราะการบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นเป็นสุดยอดของการบูชาท่านกล่าวต่อไปว่าวิหารแปดหมื่นสีพันหลังก็ไม่อาจทรงพระาศาสนาไว้ได้ดูมหาวิทยาลัยนารันธาดูที่ประเทศอินโดนีเซียมีอะไรปุโรพุทโทดูที่กัมพูชาเมนครวัดมีปราสาทราชวังใหญ่ ปราสาตราชวังใหญ่โตโอฬารเหล่านั้นเคยเป็นประสาทในทางพระพุทธศาสนามาทั้งหมดทึงสิน้นแต่แล้วเมื่อมาถึงทุกวันนี้เหลือความเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ในนั้นหรือไม่เราท่านทั้งหลายฉะนั้นเวลาที่เรารักพระพุทธองค์เราต้องรักพระองค์อย่างถูกทางนะใครรักพระพุทธเจ้าก็ขอให้เขาคนนั้นปฏิบัติธรรมพูดง่ายว่าเราศรัทธาในท่านผู้ใด ก็จงนำเอาคุณธรรมของท่านผู้นั้นมาประพฤติปฏิบัติพัดอย่างหนึ่งว่าหากเธอศรัทธาในบุคคลท่านใดก็จงน้อมนำเอาคุณธรรมในตัวของคนคนนั้นมาประพฤติปฏิบัติอันนี้คือวิธีที่เราจะรักษาพระศาสนาไว้ได้ ผู้เรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะเตือนพี่น้องเราชาวพุทธเอาไว้ว่าอย่าไปทอดทิ้งสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสอนไว้เพร ะ, พระราะในบรรพบุรุษของเรานั้นเป็นพระวิปัสสนาจ า, ารย์จุดเด่นจุดเน้นจุดหมายของท่านคือสัมมาปฏิบัติท่านอุทิศทั้งชีวิตเลยเพื่อเทศเพื่อสอนและเพื่อนําเราลงมาสู่การประพฤติปฏิบัติท่านย้ําเสมอว่า เคารพท่านก็ให้พากันภาวนาคิดถึงท่านก็ให้พากันภาวนาถ้าทิ้งการภาวนาก็เสียทีที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ท่านฉะนั้นที่น้องเราชาพุทธอย่าเอาแต่ให้ทานอย่าเอาแต่รักษาศีลสองอย่างเนี้ศาสนานไหนๆเขาก็ทํากันชาพุทธตัวจริงต้องขึ้นให้ถึงภาวนาและเมื่อขึ้นไปจนถึงภาวนาแล้ว ก็จับแกนของภาวนาให้ได้ว่าหัวใจของการภาวนาก็คือกำจัดกิเลสเหตุแห่งความยึดติดถือมัน่นในตัวกูของกูหรือตัวฉันของฉันจนเข้าถึงสภาวะคือความว่างจากความยึดติดถือมั่นในตัวตรงถ้าทำได้อย่างนี้นี่เราเป็นชาวพุทธตัวจริงฉะนั้นเรามาทำบุญถวายหลวงพ่อในเคารพหลวงพ่ออย่าลืมนะเคารพที่แก่นของหลวงพ่อด้วย อยาเอาเปลือกอย่าเอากระพีของหลวงพ่อเท่านั้นไปให้ถึงกันแกนของหลวงพ่อคือวิปัสสนากรร ม, มฐานศิทธญานุสิสส์ทุกคนจดจําคํานี้ให้แม่นนะแกนของความเป็นหลวงพ่อจรรยทิตยธรรมโมคือวิปัสสนากรร ม, มฐานเหมือนที่ท่านพุทธทาสย้ำเตือนเสมอว่าหากไม่ทําตามที่สอนอย่ามาอ้อนเบียดอาจารย์คิดถึงท่านเคารพถึงท่านบูชาท่านมันพากันทาน คือบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการให้ศีลครองกายครองวาจาของเราให้อยู่ในอาการอันเป็นปกติไม่กระชอกออกมาทำร้ายใครและภาวนาฝึกใจให้ไกลกิเลสถ้าทำได้อย่างนี้โยมได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธชั้นนำและแน่นอนได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ชั้นยอดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมสิงหบูราจารย์ผู้เป็นปูเชนิยอาจารย์ของพวกเราด้วยเอาแล้ววันนี้อัตมภาพและลูกศิษย์ท่านอาจารย์คารินแ a น d ์ได้นำเอาธรรมะพื้นพื้ น, นมาบอกเล่า90ให้ฟังกันง่ายง่ายให้ฟังกันสบายสบายพร้อมทั้งได้เตือนจิตสกิดใจให้พี่น้องเราชาวพุทธหวนกลับมาหาเกณฑพระธรรมคาสอนก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่ากุศลบนเดราศีเหล่านี้ทั้งหมด จะมารวมกันเป็นตะบะเดชพลาวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อลุกถึงสุขติสัมปรอยพบสมควรแก่วิสัยที่องค์ท่านได้บำเพ็ญมาพร้อมกันนั้นก็ขอโมทนาสาธุ ก, การท่านเจ้าภาพท่านสาธุชนทุกคนที่มาร่วมทำบุญวันนี้อยู่จงมีชัยไปจงมีโชคประสบความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอ